ธรรมะผมไม่ทราบว่าพูดอะไรต่ออะไระพูดอยู่เรื่อยๆจะไม่ทราบว่าเป็นพูดอะไรคือ <c ười> พูดไปแล้วก็หายไปเงียบไปพอถึงเวลาพูดพูดเหลื่อยไปไม่ทราบเป็นอะไรต่ออะไรกันธรรมะทางด้านปฏิบัติคิด ก, กันกับธรรมะปริยัต พขพูดอะไรเกิดขึ้นเขาพูดไปไม่ทราบว่ามันตามมันเป็นของเก่าหรือของใหม่เหมือนธรรมะปริยัติเขาปริยัติเขาเขาเรียนมาแบบไหนเขาบอกพูดกันไปเทศกันไปสอนกันไปตามแบบที่เรียนมาส่วนธรรมะปฏิบัตินั้นถ้าเป็นธรรมะเฉพาะ มันเกิดขึ้นแบบไหนอะไรสัมผัสกับใจในขณะที่พูดเขาก็พูดเรื่อยไปธรรมะที่เกิดกับใจการปฏิบัติต้องอาศัยจิตใจอยู่ในวงที่จะเกิดธรรมะถ้าสงบเกินไปธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้ พุ่งปรวงเกินไปธรรมะก็เดือนรอยอยู่เหมือนกันฉะนั้นการพูดธรรมะของแต่ละท่านที่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจท่านจะต้องอาศัยความสงบคือตั้งจิตเอาไว้พอที่จะเกิดธรรมะแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคล <c oughs> ที่มาตังอีกเหมือนกัน บางท่านบางคนพอมาศึกษาธรรมะท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่เคยแสดงธรรมะให้คนอื่นเขาฟังจนถึงที่นิยมชมชอบของคนอื่นแต่ <c oughs> บางท่านบางคนเข้ามาก็ไม่มีธรรมะอะไรเกิดขึ้น พูดอะไรก็พูดไม่เคยออกเพราะมันเกี่ยวข้องกับวาระจิตของคนนั้นหรือยังไงในศาสตร์มันเป็นไปได้แต่บางท่านบางคนพอมาสดับเล่าตั้งธรรมะ <c oughs> ธรรมะแปลกซึ่งไม่เคยคิดเคยพูดมาก่อนก็เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของผู้แสดงธรรมะมันเป็น ในวราจิตของท่านไม่ใช่ว่าคนนั้นมาเห็นสแสดงดีคนนี้มาทำไมไม่สแสดงอิจฉาคนนั้นรักคนนี้หรือมันไม่เป็นแบบนั้นแต่มันเป็นในจิตของท่านการเมตตาบุคคลทั่วไปปุจิมีอาจมีทมในใจแต่ถ้าว่าการให้ธรรมะมันเป็นไปตามวรา บุคนบางคนมันก็เปิดกว้างพูดอะไรก็ง่ายสะดวกสบายบ้างขันบางคนมันก็ติดตันเ้าเลยพูดอะไรก็พูดไปในได้อย่างธรรมะของพระพุทธเจ้ า, จานั้นหากจะพูดไปมากมันก็มากทางปฏิบัติใจใจเท่านั้น เ, นเป็นเรื่องสําคันที่พระพุทธเจ้ า, จาสอน ไม่มีทางอื่นคนจะสุขจะทุกข์ก็สุขกว่าทุกข์อยู่ที่กายที่ใจมันจะไปสุขไปทุกข์อยู่สถานที่ใดถ้ากายใจเป็นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบหาความสบายไม่ได้ถ้าใจเป็นสุขจะอยู่สถานที่ใดมันก็สุขก็สบายถึงอยู่ร่มไม้ทายเขามันกว่า สุขสบายมีหมายถึงกายถึงใจสุขกายใจสุขนั้นจะต้องอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนเอาไว้มาฝึกอบรมกายใจของตัวใจและกายนั้นจึงจะสุขจะสบายได้เรื่องของกายจริงจังมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกันกบถอนไม้หรือก่อนดินถ้าไม่มีจิต อาศัยเรื่องตายอันนี้ไม่มีความหมายในว่าปู่ยิงปู่ชายนักบวชคราว่าเป็นเหมือนกันหมดไม่รู้จักทุกทุกหนาวร้อนอะไรแต่ทิงที่ไหนก็อยู่ที่นั้นหน้าที่ของมันจะเกยเน่าไปอย่างไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันขาดอะไรใคยเป็นอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามหน้าที่ของมันแต่เรื่องของจิต เป็นสิ่งสำคัญที่ไปยึดไปหมายทำให้กายให้วาจาพูดออกมาหรือทำไปต่างๆนาน า, นาตามเรื่องของจิตที่โง่ที่ฉลาดฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติกายเป็นฝ่ายทำวาจาเป็นฝ่ายพูดจิตเป็นฝ่ายคิดใคายจิตฉลาดรอบรู้สิ่งที่ เราทำไปในว่าการงานด้านโลกหรือการงานด้านธรรมเราก็ระมัดระวังรักษาเลือกทำแต่สิ่งที่มีคุณค่ามีสาระเมื่อเราเลือกทำสิ่งทิ่มีคุณค่ามีสาระไม่ทำผิดจากศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใจเมื่อเราคิด ถึงต่างแต่ทำของตัวในเดือชั่วทำเสียใจนั้นก็สงบใจนั้นก็สบายในเดือดร้อนวุ่นวายทางหาดเราไม่เดือดจิตรอบครอบอะไรใจคิดอยากจะทําอะไรก็ทําไปทําสิ่งที่ชั่วที่เสียส่วนมากเมื่อมาภาวนาหาความสงบของใจก็คิดไปอันนั้นเราไม่ควรทํา เราก็ไปทําแล้วอันนี้เราไม่ควรทําเราก็ไปทําจิตใจเลยว้าเววุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้แต่นั้นการทําการพูดทางศาสนาฉันจึงสอนให้มีสติและลึกรู้ว่าการทําการพูดของเรานั้นมันเกิดสาระประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นทุกข์อย่างไร ทีน้พิ่เจณาเสียก่อนยิ่งค่อยทํำคอยพูดไปเมื่อพิจารณาเห็นว่าการทําการพูดที่ทําไปพูดไปนั้นเป็นทางที่ดีมีสาระประโยชน์ตัวของตัวเองเมื่อคนอื่นทําให้แบบนั้นก็ยินดีเต็มใจเลื่อมใสศรัทธาเราทํากับคนอื่นพูดกับคนอื่นแบบนั้นเขาทั่วไปก็เหมือนกัน ยินดีเหลื่อมใสเต็มใจขอทำพูดบริสุทธิ์ไม่เสียหายมีหมายถึงสายถึงวาจาทางนอกมันออกมาจากเรื่องของใจเรื่องของใจที่จะรอบครอบอย่างนั้นขอพ้ออาศัยสติขออาศัยปัญญาที่นิ่เจนาเสียก่อนโดยส่วนใหญ่เราไม่เด้ คอยรักษาในที่เจริญนาหรือยับย่างสั่งตวงอะไรอยากทำอยากพูดอะไรไปกว่าทำไปตามอำเภอใจมันจึงเสียหายเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เรื่อยๆแต่นั้นผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้รักษาให้กําหนดจิตดูว่าสิ่งนั้นควรหรือไม่หนีหมายถึงสิ่งที่ทำที่พูดท้ายนอก เป็นของภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกายกับวาจาส่วนเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องภายในเข้ามาผู้ปฏิบัติใจเกี่ยวบความสงบจะต้องรักษาอารมณ์สัญญาเพราะอารมณ์สัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกายวายามันเกิดขึ้นภายในคือเกิดขึ้นกับจิตกับใจของตัวเอง อารมณ์สัญญานั้นอาจเป็นอดีตที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่และอนาคตทางหน้าก็มีเป็นบางการบางเวลาปัจจุบันที่เรานั่งฟังธรรมหรือทำกรรมฐานเดินจงกรมภาวนาโดยส่วนใหญ่มันไหลไปในเรื่องอดีตอนาคตไม่ได้กําหนดดูจิตของตัวในเรื่องปัจจุบันแต่รเรานั่งยนี้ทํำไมไปคิด สิ่งที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วปรุงในอนาคตยังใหม่มาถึงปัจจุบันเราว่าเราภาวนาละกิเลสเราได้ละกิเลสตัวไหนและอะไรเกิดขึ้นที่เราคิดไปอย่างนั้นเป็นทางที่จะทำจิตทำใจของตัวให้สงบละ ง, งับหรือไม่หรือทรงจิตส่งใจออกไปทางนอกนั่งพอเป็นพิษทีจะจิตใจในอยู่ ปกติจิตไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาอยู่เรื่อยๆถ้าหากเรามีปัญญามีสติรักษาและตัดเตือนตัวของตัวอยู่อย่างนั้นจิตจะเคยสายแสไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเราหักห้ามไม่ปรุงไม่ให้คิด่ึงเกิดขึ้นเราก็ไม่จิตไม่ตามหนึ่งอารมณ์สัญญาส่วนนั้น เราจะกำหนดบทบริกรรมก่ต่างหน้าต่างๆบริกรรมเลื่อยไปจะบริกรรมพุทโธ ท, ทำโมสังโครหรืออรหังหรือเจสาโลมาอะไรได้ทั้งนั้นแต่ให้ตั้งใจอย่างจริงจังและทำบริกรรมที่เราบริกรรมอยู่นี้จะทำจิตทำใจของตัวให้ลงรวมได้ าชาสตร์ใจจากสัญญาอารมณ์จะรู้เห็นความเยือกเย็นสงบสุขส่วนอารมณ์ที่เคยคิดเคยเกี่ยวข้องเราเคยคิดเคยปรุงมาเป็นระยะยาวนานจิตอ่านมาเรื่อยๆจิตของเราไม่เคยเห็นความสงบสุขไม่เคยเห็นความเยือกเย็นไม่เคยเห็นความละเอียดในอดในธรรม ถ้าหาเรายังฝืนปล่อยจิตให้ลอยไปตามสัญญาอารมณ์อยู่อย่างเดิมนั้นก็ไม่มีโอกาสเวลาจิตจิตของเราจะสงบระงับได้เราจะต้องหักท่ามและตัดเตียมตัวของตัวอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเกิดสัญญาอารมณ์มาก็ปัดเป่าออกไปอย่าให้ใจไปเกี่ยวข้องเร่งบริกรรมลงไปเรื่อยๆเมื่อใดเราละลึก ร, รมบริกรรมได้อยู่ล้วก็จะต้องสร้งหน้าบริกรรมอยู่นั้นให้จิตสัมผัสกับ ร, รมบริกรรมของตนผลที่สุดจิตก็จะลงรวมได้รับความสงบแตกต่างธรรมดาที่เราเคยเป็นมานี่คือการภาวนาํารายจิตเสือความสงบเสือความสะอาดของจิตไม่อย่างนั้น <c oughs> นั่งกอดสักเจวันนั่งเดินกอดสักเจวานันเดินคือไม่เอาจริงเอาจังให้อะไรผ่านมาก็จะคุบ เ, เรื่อยไปเลยไม่มีความสุขความสงบให้เมื่อใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่รู้ไม่เห็นไม่เหยือกไม่เย็นในอดในธรรมถึงจะไปอยู่ในปา่าไปภาวานาอยู่คนเดียวหรือจะไปวัดนั้นวัดนี้ซึ่งผูกคน ทั่วไปเลื่อมใจศรัทธาว่าเป็นสถานที่เหมาะดีและครูอาจารย์สอนดีสัตรัยต่อตามแต่เราไม่หักห้ามจิตใจของเราปล่อยให้ไหลไปตามสัญญาอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปสถานที่ใดก็คล้องต่าไม่มีอะไรที่ดีเด่นเกิดขึ้นเมื่อไม่มีอะไรที่ประทับใจไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ความเชื่อความเลื่อมใสความยินดีเต็มใจอยากระพุทธปฏิบัตินั้นมันก็ไม่มีเพราะมันไม่เห็นไม่เย็นไม่สุขไม่สบายให้ผู้ที่เห็นที่เป็นในจิตในใจจอฝึกจิตอบรมใจของตนเข้า ถ, ถึงความสงบเข้า ถ, ถึงความปล่อยวางสัญญาอารมณ์ได้ เชื่อเลื่อมใสยินดีเต็มใจอยากจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็เลือกหาสถานที่สถานที่ใดเหมาะดีมีโอกาสเวลาจะํำระสารสังรวมจิตสังรวมใจของตนง่ายสะดวกสบายก็เลือกหาเมื่อไปก็ตั้งหน้าตังง้าทิจรณาตัางหน้าตัางตาทำความเพียรจริงจัง จิตที่เคยเห็นเคยเป็นเคยเย็นเคยสงบ ก, ก็เห็นก็เป็นในตัวของตัวก็ยิ่งเพิ่มศรัทธาหนักแน่นเข้าไปทุกวันทุกเวลาเพราะจิตที่สงบจิตที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ภายนอกทุกคนถ้าเห็นความเยือกเย็นความสงบภายใน ความละเอียดท้องใจแล้วไม่มีอะไรอื่นในโลกที่จะมีความสุขความสบายที่จะมีคุณค่าสาระยิ่งกว่าการฝึกอบรมภาวนาฝึกธรรมสอนจิตของตัวเพราะจิตนี้ถ้าหากไม่มีธรรมะแล้ว <c oughs> จะต้องสายแส่ตามสัญญาอารมณ์เลื่อยไปว่าอันนั้นดีอันนี้ปเปิด แต่คุบเรื่อยไปแต่ก็ผิดหวังไม่มีอะไรที่จะนำความสุขเยือกเย็นมาให้ได้มาใหม่หมชอบใจยินดีก็รู้สึกว่าสุขว่าสบายนานวันเข้าก็เบื่อหน่ายใหนว่าอะไรในโลกมันเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของธรรมยิ่งเห็นยิ่งเป็นเด่นชัดเท่าไรก็ยิ่งมีความเชื่อความเลื่อมใสความยินดีเต็มใจอยากประพฤติปฏิบัติ ไม่มีวันอิม่มวันเบื่อในเรื่องของอาจของรรทำจิตตัวรู้ตัวเห็นมีความสงบมีความเย็นละเอียดเข้าไปสัญญาอารมณ์จิตเคยเกี่ยวข้องกับใจก็ค่อยตกออกไปหมดออกไปรูปเสียงเื่องเล่าต่างๆเ ต, ติงจิตเคยปรุงคิ ด, คดจิตข้องเงื่อนจิตสงบเห็น ค, ความสุขความสบายภายใน มันก็ปล่อยไปละไปเพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนเราเคยสำคัญว่ามันดีมันดีเศษเพราะอำนาจของกิเลสปกคุมจิตใจจิตใจจึงไปเหลื่อมใสไปยินดีในสิ่งที่จอมปลอมแบบนั้นพอจิตมาเห็นมาประพฤติปฏิบัติอัดทมความสุขส่วนนั้นโลกทั่วไปนิยมเหลื่อมใสไม่ว่าคน ช่านไหนยินดีเต็มใจจิตคล้องกันอยู่เพราะเขาไม่รู้ไม่เห็นความเยือกเย็นภายในเพื่อจิตปล่อยปะละขอนเรื่องยี่เลียมกันหามาสงบรวมอยู่ภายในตัวคองตัวถ้าหาทุกคนเห็นรู้สิ่งเหล่านี้อย่างที่ผู้ประพฤติบัติรู้เห็นเขาเหล่านั้นจะไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวข้อง ใน่นิยมชมทอบโลกี่ยังยุ่งเหยิงวุ่นวายกเพราะเสียจิตเขาไม่เคยฝึกจิตอบรมใจให้ส ง, งบเย็นลงไปอย่างผู้ประพฤติปฏิบัตริรู้เห็นหาทุกคนไม่เห็นฝึกแล้วไม่เป็นปฏิบัติแล้วไม่รู้ศาสนานี้กกคงเสื่อม เสียไปแล้วไม่มีใครที่จะมีศรัทธาเลื่อมใสเต็มใจประพปฏิบัติเพราะกฎหมายทุกประเทศเขาก็ไม่บังคับบัญชาให้ปฏิบัติภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะเลิกจากการ ป, รปฏิบัติเมื่อไรกฎหมายก็ไม่หักห้มามเอาไว้ออกไปได้แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้น ผู้เผืเพื่อปฏิบัติเขาซึ่งอัดถึ่งทำจริงจังแล้วท่านเลี่อมใสท่านบังคับกายใจของท่านเองไม่ต้องหากฎหมายภายนอกมาบังคับพอเราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสบายความสุขส่วนนี้จะรู้จะเข้าใจเฉพาะผู้เระพฤ่อปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่ตั้งหน้าตั้งตามาภาวนาชำระจิต เมื่อมาถึงวัดถึงวาถึงที่อยู่ที่อาศัยซึ่งไม่มีการงานภายนอกรบกวนวุ่นวายต่างหน้าเสียสละมาทุกอย่างความสุขความสบายภายนอกหมาว่าที่นัง่งที่นอนอาหารการกินต่างๆเราเสียสละมาต่างหน้าจะมาภาวนาดูจิตระวังใจของตัว ่อยจงตังหน้าตัางตารักษาจริงจังระวังสัญญาอารมณ์ที่เคยมายั่วยุให้ใจิตใจพึงคิดติดข้องต่างๆเพราะเราไม่ได้มาสะสมอารมณ์เรามาชำระอารมณ์ออกจากใจจะทำจิตทำใจให้สงบทำจิตทำใจให้เย็นให้รวมลงเป็นหนึ่ง เราจะต้องเนี้ยสอนตัวของตัวอย่างนั้นแล้วทํากันจริงจังเมื่อเราทําจริงจังความจริงจะมีความจริงไปไหนได้เราจะเกิดเห็นเย็นใจขึ้นพอเราประพฤติปฏิบัติตามทางผีพระพุทธเจ้าเคยประพฤติปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าทําไปแล้วไม่เกิดผลทําไปแล้วเกิดผลเห็นผล จึงเชื่อจึงเลื่อมสายจึงเต็มใจปฏิบัติถ้าไม่เห็นผลศาสนาที่ยืนยงคงมาขนาดนี้ก็คงล่มเหลวไปแล้วเพราะเหตุใดเพราะไม่มีใครเชื่อใครเลื่อมสายใครเต็มใจปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้นี่ในเป็นอย่างนั้น ท, ทั้งทั้งสี่ท่านเหล่านั้น ไม่ใช่ว่าคนอาภัพอับปัญญาทุกหน้าไปผู้ที่มีสติปัญญามีแข่งมีขามีกำลังกายกำลังใจพอที่จะไปทำการงานด้านนอกได้มีคนภายนอกส่องการสาธาอยากจะได้ออกไปช่วยการช่วยงานต่างๆนานาแต่เท่าว่าท่าน เหล่านั้นเลื่อมใสศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเมื่อประพฤติปฏิบัติก็เกิดเห็นความเยือกเย็นในจิตในใจท่านจึงเลื่อมใสศรัทธาตั้งหน้าตั้งตายอมเสียสละแม้แต่ชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระศาสนาประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาจกนกระทั่งวันตายนับไม่ถ้วนคือผู้ที่เห็นความเยือกเย็น ความสุขความอัศจรรในธรรมท่านอยู่ได้ถึงแะ่ลำบากด้านของกายลำบากในสายตาของโลกว่าที่อยู่ที่อาศัยไหม่ใหญ่โตที่อยู่ที่อาศัยไหม่สวยงามเื่องหนุ่งท้องห่มตามกบฉันไม่ไข่อยิบไข่ดีไม่ออไม่อยมีคุณค่าสาระ แต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการ ป, รปฏิบัติของท่านขอจะให้โอกาสเวลาภาวนามีสถานที่สงบไม่มีคนไปยุ่งเกี่ยวรบกวนรูปเสียงเรื่องทางนอกไม่ค่อยได้ไปเกี่ยวข้องกับท่านสถานที่วิเวก ทางกายอยากจะนัง่งจะเดินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าตั้งวันตั้งคืนสะดวกสบายไม่มีใคยอันตรายไม่มีผู้คนเดียดเดียนไม่มีสัตว์ ร, ร้ายมาจัดมาจินเห็นว่าสถานที่เหมาะดีตั้งวันอยากจะเดินที่ไหนก็ได้ร่มเ ง, งาเย็นสบายตั้งคืนอยากจะนัง่งที่ไหนก็ได้ไม่มีใคย ที่จะมาวุ่นวายขอควรท่านถือการปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งท้ายนอกเหล่านั้นท่านจึงอยู่ป่าหาภาวนาวิเวกได้ถ้าหาท่านปุงชิดติดข้องอย่างคนทั่วไปที่ไม่เลื่อมใสไม่เห็นอาจเห็นธรรมในใจจะไปอยู่ทำไมในป่าทางบินทบาตก็ลกไฟแสนใจอาหารการโขกฉัน อยากอันนั้นก็ไม่ได้อยากอันนี้ก็ไม่ได้ของป่าคนป่าเขาจะหามาจากที่ไหนไม่มี่ตลาดที่ใจจากอาหารการกินของท่านก็เป็นของที่ชาวป่าเขาอยากเขากินกันคงจะคิดไปอย่างนั้นปรุงไปอย่างนั้นจึงไม่มีคนส่วนใหญ่เต็มใจปราถนา เข้าป่าภาวนาละกิเลสพอเห็นว่าสิ่งภายนอกเป็นท้องสำคัญยิ่งกว่าจิตใจของตัวเองแต่ผู้ที่เห็นในอจในธรรมไม่เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเหตุท่านเคยเป็นกริย์ไม่ว่าที่ประทับที่บันทมไม่ว่าอาหารการเฉลยเป็นของดีวิเศษท้งนั้น เพราะกษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างประณีตบันจงอยู่สะดวกสบายในสถานที่ใดมีคนหอมล้อมแห่แห่นไปไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญชนเหมือนพวกเราแต่ถ้าองค์ออกบวชเคยมีประวัติที่ไหนพบที่ไหนว่าฉันนำแม่ครัวไปปรุงอาหารให้ทำนำ คนนั้นไปอุปถามไปทำไปปลูกตาหนักที่นั้นปลูกตาหนักที่นี้ให้พักคาอาศัยไม่เคยพระองค์ออกไปองค์เดียวจึงออกไปกับในฉันนะอมากก็ทรงกลับมาพราออธิษฐานเพจบรรพชาคือเป็นนักบวชท่านก็อยู่ตามป่าตามเขาถึงคนเหล่านั้นก็ไม่ทราบว่าท่านเป็น ไคมาจากที่ไหนเพราะไม่อยู่ในเมืองของตัวนี้ไปอยู่ที่อื่นแต่ก่าเ้นใจมีศรัทธาเหลื่อมใสยอยากจะประพฤติปฏิบัติแก้ไขจิตใจของตัวและตั้งหน้าที่นี้พิจารณนาะสำระเลื่อยไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทุกวิถีทางจนถึงหกพรรษา แต่ตั้งหน้าตั้งต า, ตางประพฤติปฏิบัติเพื่อจะหามรรคผลความพ้นทุกข์ถึงจะไปศึกษาเราเรียนจากดาวบททั้งสองคืออาราและดาบทและอุทกษดาดาบทได้สมาบัตทั้งแปดมาแล้วท่านก็ยังมีปัญญาที่นิพพิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ทางตักรู้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ สมาบัติแบบนี้เหมือนกันกับหินทับยาเมื่อเวลายกหินออกอยามันก็งอกขึ้นมีเวลาเข้าสมาบัติที่เหลยอตัณหาก็เงียบสงบไปแต่เวลาถอนออกมาราชาตัณหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นทันจริงไม่พอพระไทยหนีไปจากทูทั้งสองตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติลำพังเท่าองค์เอง จึงเรียกว่าสยามภูคือภูตัดฉลุด้วยเท้องค์เองไม่มีครูสอนตอนที่ท่านรู้ท่านเข้าใจนั้นท่านตัดฉลุนั้นไม่ได้อาศัยทำจากดาบทั้งสองแต่ที่ไม่คิจรณาท่านคิดจรณาด้วยเท้าองค์เองกําหดนดลมหายใจเบื่องต้นแต่ตั้งจิดมัน่นมีอธิษฐาน เอาไว้การนั่งของท่านในวันนั้นยอมเสี ย, ยสละชีวิตต่อสู้เมื่อใบกิเลส ย, ยังมีอยู่ในจิตในใจถึงหลังกายที่นั่งอยู่นี้เลือดเมื่อมันจะเหนื่อยแห้งไปกว่าช่งมันตายไปเมื่อไรก็ตามมันในในเหยื่อใหญ่ในชีวิตชาจิตในพ้นจากกิเลสจะต้องนั่งอยู่นี้ มีความตั้งมั่นของพระพุทธเจ้าและธิฐานจิตเอาไว้อย่างนั้นแต่แกเหว่ยงข้ามกำหนดจิตกาหนดใจภาวนาตั้งหน้าชำระจิตยอยู่อย่างนั้นแต่คนทุกคนมันเหมือนกันใน่าพระพุทธเจ้าหรือพวกเราธรรมดานั่งไปนานๆ น, น, นั่งก็ปวดแข้งปวดขาเวทนาเกิดขึ้นแต่เมื่อเวทนาเกิดขึ้น ชาจิตในตังมันจริงจังมันก็หวานไหวจิตของท่านก็ท่านองเดี่ยวกันนัง่งไปนั่งมาเวทนา้านาาัน่งไปนั่งมาจิตไม่เป็นอาจเป็นธรรมในสหวังในดองตนเกิคิดบกไปถึงจาสตล่าสว่างคิดถึงจิมภาลางหุ่นต่างๆทางศาสนาท่าจึงสอน ว่าลูกสาวพยามารมาหลอกลวงท่านคือนางราชาปัญหาอรดีนี่ในจันหลับําลาสั้นปล่าวเป็นผุกพลาทิถานเอาไว้ราคาราคะกคือความกหนังในจิตในใจปัญหาก็คือความยากอรดีตัวยึดดีใยบาปมันมีในจิตในใจวกใจคิดใจนอ ก, นอก แต่ท่านก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมยินดี บ, บังคับยิดบังคับใจนะมาําเน็ดลมอยู่เรื่อยไปผลที่สุดเรืนนอชนะกล้าขึ้นทุกวันทุกเวลาพระนัน่งอยู่กับที่ในเปลียนอินยบบทฐานเจ็บปวดเหนืห่อยเหนื่อยเหนื่อยหงวแล้วก็เกิดขึ้นทางตำลาท้ายหนอ่อแท้จริง ต่าโอาไว้หระพยามารพยามาราธิราชนะแย่งบันลัง